บทที่หกสิบเก้าหลวงพ่อสุขวัดครองมะขามเท่าหลวงพ่อช่อสมพานวัดพลมบุรีได้รับการบอกเล่าจากพระเจริญว่า จะครองกาสาวะพัดไปจนตลอดชีวิตก็อนุโมทนาท่านมองไกลไปกว่านั้นในอนาคตภิกษุรูปนี้ต้องเป็นสมภารเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอไปจนถึงเจ้าคณะจังหวัดและจะช่วยจันโลงพระศาสนาให้วัฒนาสถาพรสืบไปหลวงพ่อครับ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 เป็นความคิดที่ดีทีเดียวฉันขอสนับสนุนถ้าท่านมีคาถาเรียกเงินเรียกทองก็จะขอเรียนจากท่านด้วยนะฉันกำลังคิดว่าจะสร้างโบสถ์สักหลังเห็นว่าต้องใช้เงินยี่สิบมืนมากมายขนาดนั้นฉันไม่มีปัญญาที่จะหาคนเดียวได้เอาเป็นว่าฉันขอมอบหน้าที่สร้างโบสถ์ให้เธอรับผิดชอบก็แล้วกัน ฉันเองจะช่วยบอกบุญญาตโยมเขาพระหนุ่มรู้สึกยินดีที่ท่านสมภารอนุญาตให้ไปเรียนวิชาขณะเดียวกันก็รู้สึกหนักอกหนักใจในภาระใหญ่หลวงที่ได้รับมอบหมายกระนั้นก็กราบเรียนหลวงพ่อช่อว่าผมจะพยายามจนสุดความสามารถครับส่วนเรื่องคาถาเรียกเงินเรียกทองถ้าอาจารย์เชยท่านมีผมก็จะขอเรียนจากท่าน ผมจะเดินทางพรุ่งนี้เลยนะครับเรียนจบแล้วจะได้กลับมาช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์รู้สึกว่าเธอใจร้อนเหมือนเดิมนะแต่นั่นเป็นธรรมดาของคนหนุ่มตอนชั้นอายุเท่าเธอก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเอาละเธอไปพรุ่งนี้ก็ได้ถ้ายังเรียนไม่จบให้กลับมาจำพรรษาที่วัดนี้ออกพรรษาแล้วค่อยไปเรียนต่อเข้าใจไหมละ่ะ เข้าใจครับผมจะพยายามเรียนให้จบก่อนเข้าพรรษาท่านตั้งใจว่าเมื่อออกพรรษาจะได้จาริกไปแสวงหาวิชาความรู้กับอาจารย์องค์อื่นๆต่อไปคืนนั้นพระเจริญนอนคิดเรื่องจะหาเงินมาสร้างโบสถ์ท่านนึกถึงทอง32บาทที่ยักยอกมาจากป้าเหรียน ใจว่าจะขายเพื่อนำเงินมาสร้างโบสถ์แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้แกเห็นว่าเวลานี้ราคาทองบาทละหนึ่งช่างบาทก็จะได้เงินมา32ชัช่างแต่เอเงิน32ชัช่างเนี่ยมันกี่บาทเนาะท่านก็จัดการบวกลบคูณหารในใจคิดอยู่ค่อนข้างนานก็หาคำตอบไม่ได้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 ยังขอร้องให้ท่านเก็บไว้เป็นที่ระลึกคิดว่ากลับจากวัดมาขามเท่าแล้วท่านจะไปพูดกับแม่ประยงเรื่องจะขายแหวนเพชรเพื่อนำเงินมาสร้างโบสถ์เพราะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับท่านของมีค่าย่อมไม่สมควรแก่สมณะก่อนเข้าพรรษา15วันพระเจริญก็เรียนจบวิชาคาถาอาคมต่างๆจากพระอาจารย์เชย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 ซึ่งบางอย่างก็คงนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนะักและหากท่านใช้ไม่เป็นก็อาจจะเกิดโทษได้พระเจริญเป็นคนฉลาดท่านจดจำคำสอนหลวงพ่อเดิมที่ว่าผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนดังนั้นจึงเรียนรู้ทุกอย่างที่อาจารย์เชยสอนจากนั้นก็ให้ฝึกฝนให้จำนานโดยมีอาจารย์เชยคอยช่วยเหลือ ท่านรวบรวมความรู้ทั้งหมดไว้เพื่อจะนำมาพิจารณาว่าอะไรควร น, นำมาใช้อะไรไม่ควรเช่นวิชาเสกผ้าอาบน้ำฝนให้เป็นกระต่ายนั้นท่านเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะนำไปสอนญาติโยมผ้าอาบน้ำฝนกลายเป็นกระต่ายได้ด้วยอำนาจพลังจิตก็จริงแต่มันก็เป็นได้ชั่วประเดียวเดียวเพียงห้านาที ให้หลังมันก็จะกลายเป็นผ้าอาบน้ำฝนตามเดิมนำไปแกงกินเป็นอาหารก็ไม่ได้จึงไม่มีประโยชน์อันใดส่วนวิชาเสกผลมะตูมให้คนท้องกินจะได้คลอดลูกง่ายนั้นท่านคงจะนำไปใช้กับหญิงคันแก่ด้วยเคยรู้มาแล้วว่าความทุกข์ของหญิงยามคลอดบุตรนั้นสาหัสสาการเพียงใดอาจารย์ครับ ท่านสมพานสั่งผมว่าให้ขอคาถาเรียกเงินเรียกทองจากอาจารย์ด้วยครับพระเจริญกราบเรียนอาจารย์เชยหลังจากเรียนวิชา ย, ย่างอื่นจบแล้วสมพานเธออยากได้เงินได้ทองไปทาไมล่ะหรือว่าคิดจะศึกออกไปมีเมียอาจารย์เชยถามยิ้มยิ้มเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อ ย, อยสมภานบางรูปอายุตั้งหกสิบ เจ็ดสิบมีเงินเก็บมากเพราะบวชมาหลายพันสาจึงลาสิกขาไปได้เมียสาวเข้าตำราพอมีเงินมีทองก็คิดจะกรองคฤหัตเมื่อเงินหมดก็ถูกเมียทิ้งหมดทางทำมาหากินต้องบากหน้ากลับมาพึ่งพระาศาสนาอีกครั้นจะไปทำไร้ไถนาเหมือนชาวบ้านเขาก็ทำไม่ไหว เพราะสังผานไม่อำนวยพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือแก่เกินแกงเสียแล้วท่านคงไม่คิดจะสึกกระมังครับพระหนุ่มใช้คำว่าคงเพราะถ้าหลวงพ่อช่อเกิดสึกขึ้นมาท่านจะได้ไม่เสียหน้ามากนะักถ้าไม่คิดจะสึกแล้วจะอยากได้เงินไถ่ทองไปทำไมล่ะท่านจะนำไปสร้างโบสถ์ครับอาจารย์ ท่านบอกว่าโบสถ์ที่จะสร้างนี้ราคาตั้งส0มื่นพระเจริญกราบเรียนตามตรงวัดพรมบุรีไม่มีโบสถ์หรือมีครับอาจารย์แต่มันเก่าและทรุดโทรมมากอายุตั้งรวมร้อยปีแล้วครับอีกอย่างหนึง่งมันก็สร้างด้วยไม้ท่านสมภารท่านอยากได้โบสถ์ปูนแบบสมัยใหม่ครับ ทำไมเธอไม่แนะนำให้ท่านโบรณะของเดิมใช้ละ่ะทำไมจะต้องสร้างใหม่ให้เสียงเงินเสียทองมากมายอย่างนั้นอาจารย์เชยพูดเสียงตําหนิมันผุจนโบรณะไม่ไหวแล้วล่ะครับอาจารย์ผมเองก็เห็นด้วยกับท่านสมพานว่าถ้าเป็นโบสถูนจะได้อยู่นานกว่าปลวกก็จะไม่กินเหมือนโบตไม้ อาจารย์โปรดให้คาถาเรียกเงินเรียกทองแก่ผมด้วยเถอะครับภิกษุวัยแปดสิบเศษยกถ้วยน้ำชาขึ้นจิบแล้วจึงว่าคาถาเรียกเงินเรียกทองไม่มีหรอกคุณเจริญความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นผลมาจากการบำเพ็ญทานบารมีเป็นของเฉพาะตนให้กันไม่ได้ซื้อขายไม่ได้ถ้ามีคาถา ที่เธอว่ามาละก็คงไม่มีคนโจรหรอกจริงไหมจริงครับอาจารย์ผมก็ลืมข้อนี้ไปถ้าฉะนั้นผมอยากให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบดู ว, ว่าอย่างผมเนี่ยมีกุศลพอจะสร้างโบสถ์สำเร็จไหมครับแน่นอนเพราะเธอสร้างสมบารมีมาแต่ครั้งอดีตชาติในชาตินี้ก็จะได้สืบต่อกุศลนั้นอีก โบสถ์ของเธอสร้างเสร็จภายในสองปีหลังจากนั้นเธอก็จะได้สร้างโบสถ์อีกหลายหลังเงินทองจะไหลมาเทมาด้วยผลแห่งทานบารมีของเธออาจารย์เชยทานายทายทักถ้าเช่นนั้นผมค่อยโล่งใจแต่ที่อาจารย์ว่าผมจะสร้างโบสถ์อีกหลายหลังนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้แค่หลังเดียวก็ ตั้งสี่สมือแล้วถ้าเช่นนั้นผมค่อยโล่งใจแต่ที่อาจารย์ว่าผมจะสร้างโบสถ์อีกหลายหลังนั้นคงเป็นไปไม่ได้แค่หลังเดียวก็ตั้ง4ี่สิบมือนแล้วได้สิฉันดูหน้าเธอแล้ว อย่าว่าแต่เงินสี่สิบมืนเลยต่อไปเงินเป็นร้อยหมื่นพัน0มื่นเธอก็หาได้เอาละยังไม่ต้องเชื่อที่ฉันพูดเอาไว้ให้มันเกิดขึ้นจริงๆซสก่อนแล้วค่อยเชื่อไม่เป็นไรครับผมเชื่อไว้ล่วงหน้าก็ได้ใครๆก็พูดกันวาจาศักดิ์สิทธิ์ผมนะ่ะมั่นใจเช่นนั้นเธออย่าเชื่อง่ายนักเลย คนเชื่อง่ายนะซ้อนยากแต่คนเชื่อยากกลับซ้อนง่ายจำเอาไว้อาจารย์พูดเหมือนหลวงพ่อเดิมเลยครับอะไรเป็นความจริงไม่ว่าใครจะเป็นคนพูดมันก็ต้องจริงอยู่วันยังค่ำนั่นแหละเงียบกันไปชั่วครู่หนึ่งภิกษุหนุ่มจึงถามขึ้นว่าอาจารย์รู้จักหลวงพ่อช้างหรือเปล่าครับ หลวงพ่อช้างจะอาวัตวัดตึกราชานะครับทำไมจะไม่รู้จักกล้าหลวงพ่อช้างท่านเป็นพระปฏิบัติเคร่งมากท่านห่อได้จริงหรือเปล่าครับจริงพระท่านสาเร็จฌานสมาบัติและได้อภินยาอาจารย์เฉยตอบเพราะหลวงพ่อสุขอาจารย์ของท่านเล่าเรื่องหลวงพ่อช้างให้ฟังหลายครั้งและอาจารย์หาะได้หรือเปล่าครับ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 ถ้าเธอไม่เชื่อก็ลองไปพิสูจน์ดูก็ได้แต่เธอต้องฝึกให้ได้ฌานแก่กล้ากว่านี้เอาละฉันจะไปสงน้ำแล้วมีอะไรคอยคุยกันวันหลังวันนี้เอาไว้แค่นี้พระเจริญจึงกราบเบญจังข้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วลุกออกมากรับจากวัดครองมะขามเท่าแล้วพระเจริญไปที่บ้านแม่ประยง เื่อขออนุญาตขายแหวนเพชรนำเงินมาสร้างโบสถ์แม่ประยงยังคงยืนยันที่จะให้ท่านเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ก็ได้ออกปากว่าจะถวายเงินสร้างโบสถ์สองร้อยช่างซึ่งมากกว่าราคาแหวนเสอีกพิกษุนหนุ่มจึงจำต้องเก็บแหวนวงนั้นไว้ต่อไปก่อนเข้าพรรษาสามวันหลวงพ่อช่อได้เรียกพระเจริญไปสั่งการว่า พรุ่งนี้ช่วยไปเรียรายเงินกับข้าวสารที่สุพรรณบุรีด้วยนะฉันเตรียมคนเตรียมเรือเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรือออกกี่โมงครับหลวงพ่อถ้าจะให้ดีฉันเช้าเสร็จก็ไปเลยคอยไปชั้นเพนเอาข้างหน้าหลวงพ่อไปด้วยหรือเปล่าครับฉันจะไปเห็นหนักเรือทําไมเธอไปรูปเดียวก็พอ แล้วก็มีเด็กกรุ่นหนุ่มอีกสามคนคนหนึ่งทําหน้าที่ขับเรืออีกสองคนคอยยกข้าวสารที่ญาติโยมเข้าถวายทั้งข้าวสารทั้งเงินก็คงตกหลายช่างเด็กที่ไปด้วยเขารู้ทางดีหรือเปล่าครับผมกลัวจะไปหลงเกิดกรับวัดไม่ถูกบวชหลวงพ่อไม่เสร็จนะครับท่านแกร่งยัวทาไมจะไม่เสร็จ ในเมื่อหลวงพ่อสุขท่านว่าเสร็จก็ต้องเป็นไปตามที่ท่านบอกฉันเชื่อในวาสนาบารมีของเธอสมภารป้อนลูกยอพระหนุ่มจึงยอตอบว่าผมก็เชื่อในวาสนาบารมีของหลวงพ่อว่ามีความสามารถที่จะใช้ผมทำงานให้หลวงพ่อได้สำเร็จเป็นคำเยินยอที่หลวงพ่อชอบไม่ชอบใจนะักจึงพูดตัดบทว่า เอาเถอะกลับไปเตรียมงานได้แล้วคืนนั้นพระเจริญตั้งใจแผ่เมตตาไปยังญาติโยมที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งที่เรือจะแล่นผ่านท่านสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาและปิดท้ายด้วยกรณียเมตตาสูตรก้าวจบจากนั้นจึงจำวัดเพื่อจะตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย